ต่อไปแล้วก็ใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลวาสนาบานั้นมีของพวกเราทุกท่านต่อไปเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเพ็นเดือนแปด เป็นวันอาสาละหบูชาที่ชาวพุทธพวกเราถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธพุทธ บ, บริษัททั้งสี่จะเว้นเสียไม่ได้ <c oughs> เพราะเป็นวันที่ พระเจ้าประสงค์จะได้อธิฐานพรรษาจำบรรษากันคือวันพุ้พรทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติยอมทุกท่านเมื่อถึงวันเช่นนี้เข้า และพระเจ้าปลุกให้พวกเรามีความสำนึกตื่นตนตื่นตัวขึ้นมาว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอาศัยบุญคือความสุขชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอาศัยความดี คือว่าจะนาบาแลมีความเป็นอยู่ของพวกเราเฉะนั้นความสุขความเจริญความสุขความสบายทางจิตทางใจของพวกเราความดีที่จะเกิดขึ้นเป็นสมบัติเป็นวาจนาบาแลมีของพวกเราเกิดขึ้นมาได้เพราะ หลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทานมีศีลมีฟังธรรมและนั่งสมาธิเจริญจิตเจริญปัญญาเหล่านี้เป็นต้นที่น้องญาติยอมทุกท่าน <c oughs> เราเกิดขึ้นมา สังขารร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความทุกข์พวกเราจะนึกรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สังขารร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความเป็นทุกข์ ํำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตื่นตนตื่นตัวอย่างนี้แท้จริงยังไงดูในขนาดนี้ที่พวกเรานั่งว่านั่งอยู่สบายๆนั่นแหละแต่แล้วแข้งขาหลังเอวตนตัวของเรานี่ มันจะฝืนความรู้สึกของเราอยู่ตลอดคือแสดงทุกขเวทนาเหนื่อยเบื่อหิวตามอาการของลูกของร่างแต่แล้วจิตใจของเราถ้าเผื่อไม่ได้มาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะถือว่าตัวของเราตัวของเราอยู่นี่แหละแต่ดีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปลุกความสำนึกให้พวกเราทุกท่านโลกโลภร่างกายมันมีอาการทุกข์ขาเดเบีนาที่ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์ ให้มันเป็นไปเกิดขึ้นเป็นอยู่ตามหน้าที่ของมันให้ฟังเอาไว้รู้เอาไว้แต่สิ่งที่อยู่ในความทุกข์ก้อนทุกข์คือตัวตนอนี้อันนั้นคือดวงใจพระพุทธเจ้าให้มาเลือกเอาดวงใจของเรานี่ เลือกยังไงสรรชาตญานของดวงจิตดวงใจเราต้องการอะไรในขณะนี้ทุกท่านทุกคนทั้งนักบวชทั้งฆราวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาดวงจิตดวงใจดวงนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการความปนทุกข แต่แล้วดวงจิตดวงใจดวงนี้ยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันยังหลงอยู่หลงในเรื่องของจิตของใจเรื่องนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนอกจากเรื่องคืออารมณ์ของจิตของใจแล้วมันก็ไปหลง ยืดหลงถือความเป็นทุกข์ของรูปร่างตกลงว่าหลงเรื่องอารมณ์ของใจหลงเรื่องอารมณ์ของรูปร่างของตัวตนคนเรานี่แหละพอเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่ให้มันมีความสมบูรณ์แบบ คือหาโอกาสหาเวลามาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพาองค์เป็นสยามโพตรสสรุเองชอบเป็นศาตราอิเป็นครูเป็นอาจารย์ของมวลหมู่มนุษย์เทวบุตรเทวดาทาั้งหลายเป็นครูเป็นอาจารย์เอกยังไง เพราะคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะสอนให้ดวงจิตดวงใจของเราเข้าสู่ความเป็นบุญเป็นกุศลนี่จะสอนได้ไม่ถูกต้องและแม่นยำ ทำสอนของพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ดวงจิตดวงใจของพวกเราต้องการคือความสุขความสงบความสุขควา ม, วามจเจริญพระพุทธเจ้าสอนสอนในดวงจิตดวงใจดวงนี้ที่มันมีโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ สอนให้พวกเราเบาบางจากอวิชชาความไม่รู้สอนให้พวกเราจิตใจดวงนี้เบาบางออกจากโมหะความหลงเพื่อให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีสติฟังแล้วมีสติเพื่อให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้ฟังแล้วมีปัญญาเลือกเป็นสติเครื่องระลึก ละเลิกในสิ่งที่พวกเราต้องการเลือกเฟ้นหาในสิ่งที่พวกเราต้องการอันดับแรกลักษณะของความเป็นบุญบุญภาษาเราก็คือความสุขใจบุญภาษาเราก็คือความสบายใจ ความดีใจความสบายใจความสุขใจหรือความปีติในกุนงามความดีที่เป็นบุญวาสนาบารด้มีอะไรเหล่านี้มันมีชื่อลักษณะอาการที่เป็นไปตามชื่ออันนี้คือใจเป็นผู้เป็นพี่น้องญาติยอมทุกนัน ส่วนมากดวงจิตดวงใจของเรานี่มันมีโมหะความหลงมันไปอุบมีอุ ป, ปทานความยึดยึดในเรื่องยึดในอารมณ์ยึดในสิ่งที่เป็นปัญหายึดเรื่องหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างที่เคยผ่านมา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในลูปในล่างทุกขเวทนาเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นมันก็บปยึดอุปทานกลมไปยึดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่ายัางไงพระองค์ว่าจาคเสียสละ ให้พยายามฝึกเสียสละรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางเพื่อจะได้เกิดความฉลาดกุศโลกุศลาคือความฉลาดของดวงใจปล่อยวางอุปทานความยืดออารมณ์ทางจิตใจ อารมณ์ทางจิตใจในขณะ น, นี้มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องโยมีส ต, ติระลึกดูเข้าไปตั้งใจของเราขึ้นมาใช้ส ต, ติระลึกดูอารมณ์ที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราในขณะนี้ อารมณ์อะไรปรากฏขึ้นอยู่ในขณะนี้ถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์แห่งฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหามันจะเกิดความหมุดหยิดฟุ้งส้านลำคาญความเป็นทุกข์จับเจ้าเงาห้อยหาความสุขความสบายไม่ได้ร้อยแปดปันเรื่องปันป่วนลวนเลจิตใจอยู่นั่น ถ้ามีอารมณ์ลักษณะนี้อยู่ภายในดวงจิตดวงใจอันนั้นอารมณ์อันนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราละจาคะเสียสละออกไปแล้วในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีความฉ ล, ลาดฉลาดรู้ใน กุศลและเจตนาที่ดวงจิตดวงใจดวงนี้ตองการและปราตนาอันนั้นคือความสบายอันนั้นคือความสุขความสุขความสบายอันนี้แหละทีนีเมื่อตั้งใจขึ้นมาดูมีตติระลึกรู้ดูว่าเออ ท่านว่าบุญคือความสุขบุญคือความสบายหรือบุญมีในลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความดีเป็นยังไงศีล คือทำจิตใจดูจิตใจกระทำจิตใจของเราให้เรียบร้อยความเรียบร้อยดีของจิตใจเป็นบ่อกเกิดแห่งความเป็นบุญความเรียบร้อยดีบีอยู่ที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงาม จิตใจดีจิตใจงามจิตใจมีความสุขความสบายลักษณะเหล่านี้ท่านว่าความเป็นบุญเมื่อพวกเราได้ยินหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าชี้ในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลที่จิตใจของพวกเราควรจะมีควรจะได้ควรจะเกิดควรจะถึง ตั้งใจขึ้นมาดูตั้งสติขึ้นมาดูมาละเลอกดูเลือกเฟ้นลวเออนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมนี่เป็นบ่อกเกิดแห่งบุญศีลได้แจ่ลักษณะคือความปกติกายปกติใจดูซิว่าในขณะนี้จิตใจของเรามีความปกติดีไหม ดูซะว่าในขณะ น, นี้จิตใจของเรามีความเรียบร้อยดีอยู่ไหมหรือมันไปชิดฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์กลงบนเรื่องนั้นเรื่องนี้หน้าที่การ ง, งานเรื่อนชานบ้านช่องร้อยแปดพันเรื่อง ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาดูตั้งสติเรียนรู้อารมณ์ของจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้เรื่องของเรารู้ใจจิตใจของเราถ้าความเรียบร้อยของจิตใจมีน้อยความปกติดีของจิตใจมีน้อยก็ได้เชื่อว่าสิ่งที่ก่อเกิดให้เป็นบุญมันมีน้อยมันไม่มีกำลังมาก ในขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละพวกเราเรียนรู้ลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมความเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะได้น้อมกระแส จ, จิตเข้าสู่ความเป็นลักษณะของศีลคือความเรียบร้อยคือความปกติดีที่น้องญาติยอมทุกท่านฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วย ความเป็นศิลอย่างนี้อาศัยจิตใจของเราเป็นนะไม่ใช่ลักษณะเอื่นกิริยาอื่นความเรียบร้อยก็ดีอาศัยจิตใจเป็นความปกติดีอาศัยจิตใจเป็นจิตใจมีความปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตใจเรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เมื่อเรียนรู้ฟังรู้อย่างนี้แล้วก็น้อมกระแสจิตของเราเข้าสู่ความเป็นปกติเข้าสู่ความเรียบร้อยดีลักษณะที่น้อมกระแสจิตเข้าสู่ความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติเราเราปฏิบัติธรรมเราในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจดวงใจของเรา เราจะเอาดวงใจของเราเข้าสู่เข้าอยู่อารมณ์ของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่เป็นสมบัติของใจนําความสุขนําความสบายเข้าสู่จิตใจเราเปลี่ยนอารมณ์ของจิตใจที่มันเป็นอารมณ์เรื่องกิเลสตัณหาอุปทานยึดสิ่งเหล่านั้น ยึดน้อยเป็นทุกน้อยยึดมากเป็นยึดเป็นทุกมากจนกายเป็นปัญหาด่านจิตใจกินไม่ได้นอนแับเรียอะไรเหล่านี้พอโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ปุถุชนคนเรามีความโลภความโกรธความหลงลาคะาตัญหาปล่อยจิตปล่อยใจให้เลือลอเล่อนลอยเลื่อนไหลไปตามอารมณ์ของกิเลสเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่ง น, นอน แต่แล้วทิฏภัยเหล่านั้นจึงเกิดมาทําให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านลาคาญเป็นทุกข์ก่อให้เกิดเป็นปัญหาคือทุกข์อกทุกข์ใจพี่น้องญาติโยมทุกท่านลักษณะนี้กิริยาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราให้พวกเรารู้ว่ามันเป็นลักษณะของกิเลสของตัญหามันเป็นภัยแก่ดวงจิตดวงใจของเรา เรื่องเหล่านี้ลักษณะเหล่านี้ไม่มีใครที่จะสอนตรงไปตรงมาถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนอย่างระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสตราเอกของโลกรู้จา ก, กจิตใจของสามัญชนปุถุชนรวมพวกเราเข้าไปด้วยพระองค์จึงได้วางแนวปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไว้ ปฏิบัติเพื่อชำละศินสมาธิปัญญานี่ท่านเปรียบเสมือนน้ำแต่เป็นน้ำสินน้ำธรรมน้ำสินน้ำธรรมนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพชำละชำละ อารมณ์ของกิเลสตัณหาที่มีในดวงจิตดวงใจของเราให้ดวงจิตดวงใจของเรามีความสะอาดขึ้นมีความผ่องใสขึ้นมีความจุความสบายขึ้นเพราะน้ำศีล น, น้ำธรรมนี่เป็นเครื่องจำละฉะนั้นจิตใจของพวกเราจะเข้าถึงศีลธรรมที่เป็นน้ำศีลน้นาธรรมเป็นเครื่องจาละนี่ นักปราชญ์โบราณนัจารย์ท่านผู้ฉลาดในศีลในธรรมในบุญในกุศลท่านหนึ่งสอนสอนลักษณะของความเป็นบุญลักษณะของความเป็นกุศลลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างที่ว่านี้ลักษณะของความเป็นบุญใจดีใจปกติใจดีใจมีความสุขความสบาย เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญิโกน้อมเข้าแต่งดวงจิตดวงใจมรคคือเครื่องแต่งแต่งได้ขนาดไหนเกิดเป็นผลขึ้นมามากผลมากผลที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่ฉะนั้นการที่มาแต่งดวงจิตดวงใจเข้าสู่ความเป็นบุญเป็นกุศลนี่มันพร้อมพ้อมพ้อมพร้อมๆ้อม หอมด้วยจริยามารยาทการนั่งของพวกเราในขณะ น, นี้แล้วก็แต่งแต่งกายขอยงเราให้มันเหมาะสมแจ่ความเป็นบุญเป็นกุศลนั่งสงบงเงียบในขณะ น, นี้พวกเราอยู่ใน่้มกลางของความสงบงเงียบ ความสงบงวลเงียบอันเยี้เป็นศิลปเป็นธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเป็นสมบัติอริยศ ร, รักเทพระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้ประทานเอาไว้ให้ใคร พุทธบริษัทที่พวกเราอยู่ในจำนวนพุทธบริษัทพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราอันดับแรก ฟังความหมายของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจที่พระองค์ท่านสอนให้พวกเราเข้าสู่ความสงบสถานที่ความสงบตามท่ามงื่อมผาป่าเขาลุกกะมุลลมไม้พอสถานที่เช่นนี้ เป็นระบบของศิลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบธรรมชาติความสงบงบเงียบอย่างนี้เรื่องกิเลสกับเรื่องความสงบแบบธรรมชาตินี้มันจะเข้ากันไม่ได้ กิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายมันจะไม่ชอบความส ง, งบเงียบแบบนี้ลักษณะของกิเลสลักษณะของตัณหาความต้องการของกิเลสความต้องการของตัณหานั้นลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ ความลื่นเิงบันเทิงอยู่ที่ใดมันชอบที่นั่นสถานที่นั้นทำไมมันจึงชอบอย่างนั้นพอรักษะเช่นนั้นสถานที่เช่นนั้นมันเป็นอาหารบำรุงบำาเดิมัน ฉะนั้นสถานที่ตามป่าตามเขาลูกกรมูลลมไม้สงบงวบเงียกมันเป็นลักษณะของศีลธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องบำบำงบำเรอกิเลสตัณหาฉะนั้นพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุุ้ชน องศาตดาสอนให้พวกเรามีตติมีปัญญารอบรู้ในกองสังคาญคือจิตใจเป็นคิดหรือสิ่งที่คิดในดวงจิตดวงใจอันนั้นส่วนมากถ้าเผื่อพวกเราไม่มีคุณธรรมไม่มีตติปัญญาทางธรรมลอยทั้งลอยมันจะคิด เรื่องจริตธรรมมันชิดมันเป็นอย่างนั้นความคิดที่เป็นศีลเป็นธรรมนี่เป็นความคิดที่พวกเราตั้งใจชิดด้วยสติตั้งใจชิดด้วยความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ อันนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญและลักษณะส่วนนี้ให้พวกเราละมัดระวังท่ามกลางกงความเงียบถ้าลักษณะของกิเลสตัณหาอยู่ในท่ามกลางกงความเงียบที่ มันเป็นค่าศึกส่วนหนึ่งที่มันเป็นธรรมพอยทำลายความต้องการของจิเลตเเเเลตันหามันจะเอาความเงียบเหื่อจิเลตตันหามันจะเอาความเงียบนี่แหละสวมรอยในความเงียบไปเนี่ยมันจะสร้างความเงียบเหงาขึ้นมา สร้างความเงียบเหงาเศร้าใจละวาเวฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่ลักษณะของใจของเรานะให้แยกทำได้ตรงนี้ทำให้มันถูกเรียนรู้ให้มันเข้าใจ ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาแยกแยะเรียนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของเราแล้วว่าอารมณ์อย่างไรเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมอารมณ์ลักษณะไหนเป็นอารมณ์ของกิเลสตันหาพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ความผิดความถูกในอารมณ์ที่เกิดขึ้น ฉะนั้นการฟังข้อปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ยังมีการศึกษายังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ฉะนั้นอารมณ์ความหกดหงิดความฟุ้งซ่านความลำคาญอยู่ในความเงียบเงียบเหงาเศร้าใจละวาเรง เพึงให้รู้เถิดว่านี้เป็นกิิยาของกิเลสทั้งหลายเป็นกิิยาของปัญหาทั้งหลายมันถูกควบคมุมและมันก็ไม่มีอาหารบรรลุงบำรเรอมันเหมือนอย่างที่ชาวโลกทั้งหลายเขานิยมชมชอบกันอยู่ลื่นเดินบันเทิง อะไรทั้งหลายดูกเสียงกินรดร้องลําทาเพลงได้เจนละครอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารบำรุงบำรุงบำรุงบำาเรอกิเลสตัณหาทั้งนั้นทั้งนั้นแต่สถานที่เช่นนี้มันไม่มีเรื่องนั้นกิเลสมันจึงดิน้นกิเลสมันจึงแสดงตัว แสดงตัวมากมากจนเกิดความสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นลักษณะนั้นเป็นเรื่องของจิตของใจของตัวเองหมดจิตใจตัวเองเป็นอย่างนั้นเสหมดก็เลยไปเหมาอว่าทําไมจิตใจไม่จะบกทําไมจิตใจเป็นทุกข์ทำไมจิตใจทุ้งซาน ฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราควรมาทำความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของกิเล็ทั้งหลายตัณหาทั้งหลายเจตใจคือผู้รู้อาการเหล่านั้นเกิดขึ้นใจของเราเป็นผู้รู้ ความรู้คือดวงใจของเรานี่ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านลำคาญความเป็นทุกข์อันนั้นเป็นจิตใจต้องแยกทหามันถูกแยกให้มันออกเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้จิตใจของเรา เข้าสู่ความเป็นศีลเป็นธรรมเพราะอารมณ์ของศีลของธรรมนี่จะได้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีภายในดวงจิตดวงใจของเราแล้วความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ไม่เคยให้ทุกข์ให้โทษแก่ดวงจิตดวงใจแม้มากน้อยมีน้อยก็มีความสุขมีความสบายน้อยยิ่งมีมากก็ยิ่งมีความสุขความสบายมาก ถ้าเป็นอารมณ์ของธรรมเะนั้นเมื่อเข้าสู่ความเยียบพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีความฉลาดเยียบให้เป็นความเยียบสงบเย็นอกเย็นใจพยายามนึกพยายามฝึกพยายามทำความเข้าใจในลักษณะนี้ ให้เป็นความเงียบสงบเย็น อ, อก